แต่ถ้าเราทําแล้วเราเป็นสั ญ, ญลักษณ์เราคิดถึงพระพุทธเจ้าใช้ได้หมดเลยนะสมเด็จโตท่านอยู่วัดละคังวัดละคามอยู่ติดกับบ้านช่างหลอ่อนึกออกไหมสมัยก่อนเขก็กปั้นพระอยู่ริมทางเดินกันนี่แหละท่านเห็นแค่เอาดินเหนียวนั่นก็ไปวางโปะๆไว้เริ่มปั้นพระพอเดินผ่านท่านลงนั่งไหวเลย ลูกศิษฐ์ถามไหว้ทำไมครับยังไม่ใช่พระท่านบอกว่าเป็นพระตั้งแต่คิดจะทำแล้วพระสมเด็จท่านเลยขลังนะเพราะท่านไม่โง่เว <c oughs> ลาบางคนอยากไปไหว้พระเขี้ยวแก้วที่หลังการาชการที่ห้าท่านเคยไปดูม่เขียนไว้ทำขึ้นมาทำขึ้นมา ของจริงถูกฝรั่งมันบททิ้งไปหมดแล้วแต่ไปไหว้ได้บุญไหมได้บุญถ้าใจคิดว่าเป็นพระเคี่ยวแก้วก็ได้บุญนะเอาอะไรมาทําก็ได้เรามันอยู่ที่ใจของเราอ่ะถ้าใจเราคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงพระธรรมพิถึงพระสงค์นะมันเป็นบุญเป็นหมดอ่ะแต่ถ้าเราสงสัยไปเรื่อยนะสงสัยไปเรื่อยๆมันก็ไม่เป็นบุญ อังกฤษนะเคยขุดพระพ ร, รมสารีริกธาตุได้จากกระบิลพัทอยู่ในพระอบหินเขียนไว้เลยว่าพระสมณะโคดมอังกฤษก็ถวายรัชกาลที่ห้ามาลงเรือมาขึ้นที่ปากน้ำขึ้นบกพักๆอย่ที่ปากน้ำพักที่จวนข้าหลวงบ้านผู้ว่ากลมดำรงออกไปรับพร้วไปเปิดดูนะ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 ถ้าคุยทรรมาล้วนๆจิตมันรวม <c oughs> <c oughs> มันรวมเข้ากับโมหะไม่เหลือเลย <c oughs> ถ้ามีนิยนิยายะไรมาเล่าค่อยตาโตๆหนะ่อย <c oughs> วันนี้ใครมาจากที่ไกลๆบ้างมีไหมมาจากไหนล่ะเชียงรายเชียงรายไกลไหมนี่มาจากไหน มุกดาหารเออไกลเหมือนกันเชียงรายก็ไกลมุกด า, าหารก็ไกลเอาไว้ก่อนนะคนอยู่วัดครับ <g ül> <g ül> ก็ที่ภาวนาค่ะหลวงพ่อรู้สึกว่าจิตมันตั้งมั่นขึ้นภาวนามาสองสวันแล้วก็เห็นกิเลสมันอยู่พื้นๆ น, นะคะมันเหมือนกับว่าจริงๆมันมีแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นมาเป็นตัวมันไม่ครอบจิตค<า>่ะกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตนะภาวนาให้ได้อย่างนัดีแล้ว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 แต่ว่าสงบดีไมด่ดนะีถ้าจิตมันฟุ้งซ่านดูสภาวะไม่ออกเราก็มาพุทโธไปหายใจไปพอสงบพอสมควรเป็นทางผ่านเทานั้นไม่ใช่เป้าหมายจิตสงบมากมาฝึกให้จิตตั้งมั่นจิตไหลไปคิดรู้จิตไหลไปคิดรู้ฝึกบ่อยๆนะเพื่เป็นตัวรู้ขึ้นมาเป็นผู้รู้ล้มาแยากขันดูค่อยฝึกไปกลับบ้าน้วไปนั่งทุกวันทาทุกวันนะ แล้วก็แยกขันไปได้ดูขันทำงานไปได้พวกเราคนไหนยังไม่รู้จักคาว่าขันบ้างขันที่หลวงพ่อพูดย่อมเอื้อซีมีไหมไม่มีลนะโมทนานะเป็นบุญของพวกเรามีบุญมากกว่าอนาถพินทิกะนาถพินิกะได้ยินคำว่าขันนะตอนป่วยหนักใกล้จะตายแล้วแกเสียดายมากเนยะ่าแกไม่ได้ยินมาก่อนพระพุทธเจ้าพระเททูวัน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 กลัวหลวงพ่อกลัวความผิดทุกอย่างอค่ะก็เลยไม่ได้เดินสายกลางอก็อยากจะขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําให้เดินสายกลางที่ไม่มีการบ้านส่งมืวานก็ตรงเนี้ยค่ะใจใจก็ควรปกติไม่เดินสายกลางลค่ะจะสุดโตตลอดเวลาคื อ, ค, อคือไม่ไม่เคยเห็นผีไม่เคยเห็นเทวดาทั้งหลายเลยค่ะตลอดชีวิตดีแล้วล่ะ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 นั่นอับตากิลมัฐานโยคเครียดงั้นทางสายกลางนะยากตั้งแต่ถือศีลแล้ว <c oughs> มีสติมีสติแล้วจะกลางในอินสีห้าในภะละห้ารู้จักไหมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาเนี่ยไม่สมดุลกันได้สติเนี่ยไม่มีคู่แข่ง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 ใครรู้สึกว่าสมาธิง่ายขึ้นบ้างมีไห ม, มง่ายมากเลยนะแต่ก่อนฝึกกันแทบลม้มแทบตายไม่สงบนะเดี๋ยวนี้ง่ายแล้วรู้สึกตัวว่าสงบแนละ้วนะใครแยก้าแยกขันเป็นแล้วบ้างแยกได้เป็นกลาวๆพวกข้างหน้านี้ขยันยกนะถามเลยยกหมดเลย <c oughs> พวกข้างหลังนะึกก็ตาแปว๋แปวๆ <c oughs> จะยกก็เกรงใจเรามีสติไหมนะ ศีลสมาธิปัญญาจะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นขาดสติอันเดียวนะศีล ส, สมาธิปัญญามไม่มีหรอกนะสติเนี่ยเป็นธรรมะที่มีอุปการะมากนะคู่กับสัมปชัญญะรู้จักสัมปชัญญะไหมคนไทยไปแปลว่าความรู้ตัวนะความจริงรู้ผิดรู้ชอบหรอกนะไม่ใช่รู้ตัวอย่างอื่นนะนี่เป็นธรรมะที่ดีขาดสติสัมปชัญญะภาวนาไม่ได้หรอก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 ท่านเหมือนคลังของธรรมะแนะจกธรรมะได้เยอะแยะไปหมดเลยส่วนของเรารับของแจกใช่ไมเมืม่อเวลาเขาน้ำท่วมเวลาเขาอะไรเขามีของแจกเป็นรถโกดังใช่ไหมเขาให้เรามานิดเดียวแหละเท่าที่จําเป็นธรรมะที่จําเป็นสําหรับเราไม่มากหรอกนะไม่มากเอาต่อไปคนจากเชียงรายเชิญได้ข่าวว่าพระาธาตุพังเหรอ เพราะถ้าจอบจิจติค่ะมันเอ็นแล้วมันยอดเราล้มไปยังไม่ไม่ล้มเจ้าค่ะกลับแล้วมาสการเจ้าค่ะใจเต้นเจ้าค่ะอยากให้หยุดนะหยุดที่นี่ต้องปั๊มโยมโยมโยมปฏิบัติมาหลายปีแล้วนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็อยากจะให หลวงพ่อเมตตานะคะทุบกระเทือบกิเลสหลวงพ่อวันอย่างนี้ถ้ากระเทืบแล้วก็หนักมากเค่ะยอมเจ้ค่ะที่ภาวนาอยู่ดีขึ้นไหมล่ะก็ตอนแรกปฏิบัติในรูปแบบใช่ไหมคะปฏิบัติแล้วแล้วก็ต่อมาก็ปฏิบัติแบบรู้สึกตัวแล้วก็หลวงพ่อเทียนนะะในระหว่างที่ปฏิบัติหลวงพ่อเทียนมีรู้สึกตัวนี่ก็ไม่ได ไม่ได้นั่งสมาธินะใช่ไคะก็รู้สึกว่าทาไปทามามันเหมือนเอ๊ะเราปฏิบัติอยู่หรือเปล่านะคะก็เลยมาคิดว่าตัวเองไม่มีสมาธิมันน้อยลงก็เลยช่วงสามเดือนที่ผ่านมาก็ทำในรูปแบบทีนี้ไม่ทราบว่าตอนนี้มันติดอะไรอยู่แล้วก็กจะทำยังไงต่อไปอีกรูปแบบก็ทำไปนะแต่เวลาทำเราไม่น้อมใจให้นิ่งให้สืบมาเลย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 นะจิตของเราพอโตขึ้นมาเราเป็นนักปฏิบัติมันสร้างม า, ายาของนักปฏิบัติขึ้นมาเราเข้าไปแทรกแซงเขานะย้อนนึกถึงจิตตอนเด็กๆนั่นแหละจิตตัวจริงล่ะอปล่อยให้มันทํางานเราต่างกับเด็กนิดเดียวคือเด็กนะั้นจิตมันทํางานอย่างอิสระแต่มันไม่เคยมีสติรู้ทันเราปล่อยให้จิต ท, ทํางานเหมือนจิตเด็กๆนั่นแหละนะกระทบอารมณ์แล้วมันดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกบ้างเราต่างกับเด็กตรงที่เรามีสติตามรู้เรื่อยๆไป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 อ่ะคนจังหวัดเลยนะยาโสธรหรือมุกดาหารอ่ะใกล้กันใกล้กันไม่เป็นไรอ่ะมุกดาหารยกมือยกมืออยู่อำเภออะไรอยู่อำเภออะไรอยู่ดอนตาอดอนตาดอนตาไม่รู้จักแ้มม <c oughs> าว่าไปก็ที่มานี่ก็คือมาฟัง เทศของหลวงพ่อก็คือไม่ตื่นเต้นมเรูาจะถามอะไรก็คือยังแบบถ้าจะเปรียบเทียบการภาวนาก็คือยังเป็นเด็กทารกไปเลยรังบ่ยังไม่รู้เรื่องหลวงพ่อกลังสอนอยู่แป๊บๆนี่นะให้เป็นเด็กนะเมื่อเราปล่อยให้จิตมันทำงานแล้วเรามีสติตามรู้มันเพียงแต่ว่าไม่ให้มันผิดศีลห้าเท่านั้นแหละรักษาศีลไว้ก่อน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 ใจยังเก่งอยู่กูยังเก่งอยู่ไปไม่รอดหรอกแต่ว่าอาศัยความดิ้นรนนั่นแหละะเหมือนกาการเชี่ยวกล่ำตัวเองนะดิ้นรนเรียนรู้ไปเรื่อยนะเรียนรู้เรียนรู้ผิดตลอดเลยไม่มีเรียนถูกหรอกนะ้องก็ผิดนี่ก็ผิดทำมันน้องก็ผิดทำมันนี้ก็ผิ ด, ผ ด, ผดสุดท้ายมันปิ้งขึ้นมาไอตัวทำนั่นแหละตัวพบตัวชาตินั่นแหละแต่ว่าไม่มีพบมีชาติไม่ทําอะไรเลยเกิดสติสมาธิปัญญาไหมไม่เกิดหรอก ศีลสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยเราอบรมกันอยู่ในภพทั้งสิ้นเลยไม่ให้เกิดนอกภพนะแต่ตอนเกิดอริยามากมีนะมีศีลสมาธิปัญญาจต่เป็นโลกุตตระในขั้นที่เราเดินปัญญาอยู่เนี่ยอยู่ในภพทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นทำขึ้ามานะไม่ว่าทาอะไรก็ภพเท่านั้นนะแต่ไม่ทําผิดมากกว่าทําก็ผิดไม่ทาผิดมากกว่าพูดเรา ฟังยากนะแต่ว่าพูดซื่อๆนะนั้นเนี่ยพูดซื่อๆแล้วไม่มีใครเขาสอนอย่างนี้หรอกสอนอย่างเนี้ยเปลืองตัวที่สุดเลยเอาต่อไปใครมาไม่ไกลก็ได้ชวนใครจําเป็นขอจําเป็นนะวัดใจตัวเองจริงๆนะคําถามของเราเนี่ยจะบอกให้เพื่อนรู้ว่าจําเป็นหรือไม่ร้อยสี่สิบสามการทันของพ่อค่ะก็ค้าที่แล้วผมที่แล้วส่งการบ้านหลวงพ่อว่า ตอนแรกก็ยังหลวงพ่อสาปีแรกหลวงพ่อบอกให้ยอมรับความจริง mm. ก็ดูมาเรื่อยๆค่ะเราก็6กนิ้วแล้วส่งการบ้าหลวงพ่อหลวงบอกว่าให้ยอมรับความจริงด้วยหนูเห็นการยอมรับความจริงคือเห็นการเกิดอยู่ตั้งตั้ ง, ต, งตั้งอยู่ระดับไปด้วยสมาธิค่ะหลวงพ่อก็บอกว่าให้กลับไปดูด้วยปัญญา mm. ก็อเผอิญเมษาปีนี้คะ่ะไปฝึกการฝึกสมาธิฝึกช่วงมีเวลายาวๆคะ่ะ mm. ก็ไปฝึกทีนี้หนูเห็นการการเกิดของ ของสองสิ่งสิ่งนึงอยู่อะค่ะแล้วก็เห็นการดับไปของของสิ่งสิ่งนั้นแล้วทีนี้ก็เห็นว่าเวลาเราจะคิดเรื่องไหนเนีคะเวลาเราเห็นเรามองไปที่ผ้าสีขาวเนี่ยคะเรามองไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสิ่งบางสิ่งเหมือนหมุนหมุนหมุนนะคะว่าไอ้สีขาวเนี่ยก็คือผีนะเพราะเราจําได้ว่าไอ้สีสีขาวเนี่ยคือสัญญษณของผีตอนเด็กๆอะค่ะแล้วก็เห็นสีเหลืองปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมองว่าสีเหลืองนี่คือของพระนะา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 ทีนี้ครั้งแรกไปเนี่ยก็บอกว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปามทุท่านก็ยิ้มยิ้มไม่ได้ไม่ได้พูดอะไรแล้ว<ม>ก็พวกเราก็ทํางานกันไปเรื่อยพอเอิญจะมีข่าว ต, ตรงนั้นช่วงหลวงพ่อดังๆนะคะก็<ม>ใครเขาพูดอะไรพวกเราก็ <laughs> ก็นิ่งเพราะหลวงพ่อสอนว่าให้นิ่ง <laughs> ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตอบโต้ก็นิ่งก็นิ่งไปเรื่อย<ม>แล้วพอเอิญอ่าต้นปีที่ผ่านมาค่ะครูบาอาจารย์ท่านก็ชมกับพระว่าลูกศิษย์หลวงพ่อปามุ่ใช้ได้นะภาวนากันดีๆทุกคนเลเจ้าค่ะก็อันนี้อันนี้เป็นคําชมที่เพลน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 มันก็จะหลับอย่างเดียวแล้วพอหลับมันก็จะหลับแบบเหมือนคนหลับลึกไปเลยอะไม่เป็นไรนะมันเป็นทางผ่านช่วงหนึ่งเป็นอย่างนั้นแหละปกติค่ะแลวทีนี้จิตที่เดินปัญญามาช่วงหนึ่งนะมันเกิดนิพพทานะมันทิ้งหมดเลยนะนทิ้งหมดเลย <ạ. S 2> เหมือนคนหลับไม่รู้เนืรู้ตัวเลยก็มีนะอย่า ก, กลัวมันก็ขึ้นมาแล้วดูใหม่ค่ะแล้ ว, แ ล, วแล้วทีนี้มันจะแบบเราตกลงเรา สมาธิอ่อนหรือว่าสติอ่อนกันแน่คะไม่ตรงที่นั่งแล้วมันเหมือนหลับไปเลยใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่สติอ่อนไม่ใช่สมาธิอ่อนนะเป็นผลที่เราภาวนามาแล้วจิตมีแรงนะจิตมีกําลังแทบไม่หลับไม่นอนเลยค่นะใช่นะสติสมาธิมันแรงนะไม่เป็นไรดีแต่พอมานั่งภาวนาเหมือนหลับหนหลับลึก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 ประมาณห้ากรกดาษสองหกถามท่านว่าอาการอย่างนี้แหละขนาดเดินจงกรมนะก็หลับนั่งขัดสมาเพทศก็หลับทำยังไงก็หลับแก้ไม่ตกเป็นเดือนไปถามท่านว่าเราต้องทำยังไงท่านบอกว่าผู้รู้ผู้รู้จะสงสัยอะไระสงสัยเลยไม่ต้องสงสัยหรอกทำไปเถอะ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 แต่ทีนี้พอพอดีใจมันก็จะเบาๆอยู่สองสมวันคือกายนี่หนักใจนี่เบาทีนี้มันก็ดีใจอยู่2อสามวันมันเหมือนเลงอะค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็ซุดลงไปอีกพอซุดไปอีกใจก็เสียก็เลยจะรายงานหลวงพ่อว่าที่ผ่านมาเหมือ น, นกับว่าเราเริ่มเริ่มเริ่ ม, เ ร, ม, เ, รมเริ่มแยกได้แล้วก็ประมาณ 20% อร์หรือสิซที่เข้าใจแล้วจิตเป็นกุศลแต่ว่าที่เหลือ80อร์ซก็ยังทรมานกับเวทนาแล้วกเ็เหมือนกับ ถ้าเราดิ้นรนหาแนวทางรักษาเมื่อไหร่เนี่ยจิตจะกําลังตกพอจิตจะกําลังตกเนี่ยเวทนากับคือทุกอย่างจะรวมเป็นก้อนแล้วก็จะทรมานมากใช่จะรวมเป็นก้อนนั้นทุกแล้วก็ฝึกไปเรื่อยแต่ว่าอย่าอยากให้มันแยกเคล็ดรับอยู่ตรงนี้แหละถ้าอยากให้แยกนะยิ่งรวมเป็นก้อนเลยหาทางจะให้มันแยกนะยิ่งจับกันแน่นกว่าเก่าอีกนะคดูเล่นๆเลยดูเล่นๆแล้วมันแยกเองอ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 บางทีนั่งอ่านหนังสือของของหลวงพ่อที่ที่มีแจกอะครับนั่งอ่านไปก็เข้าใจความหมายมันมันลึกซึ้งมากเลยครับ เ, ออเหมือน<ร>อมันเราก็ปฏิบัติผ่านมาแล้วอืครับที่หลวงพ่อครับแล้วตอนนี้ผมผมเดินทางของโซดาบันหรือยังครับือผมเดินทางของโซดาบันไหมครับเรารักษาศีลห้าไหมก็ด่างพร้อยครับือมีด่างพร้อยครับเออด่างพร้อยก็ยังเดินทางน้อยอยู่ เรารักษาศีลห้าไหมเราเคารพรักแน่นแฟ้นในพระรัตนไตรไหมรหรือเรายังมีสิ่งอื่นเป็นสนธนาเราเนี่ยนะเราสํารวจตัวมันมีธรรมะอยู่อันหนึ่งชื่อโสดาปฏิยังคะองค์ธรรมของพระโสดาบันเนะชื่อกับเชื่อผลของกรรมเนะชื่อมั่นในพระรัตนไตรอนะไรอย่างนี้แล้วก็สํารวจดูของเราเพิ่มขึ้นหรือลดลงตรงเนี้ย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 แต่ถ้ารู้แล้วจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันลงไปอีกทีนึงถ้ารู้แล้วเราดีใจว่อุ้ยจิตถ่ายทอดธรรมะแล้วภูมิใจรู้ว่าภูมิใจรู้แล้วเกิดสงสัยว่าไว้ของจริงหรือปลอมรู้ว่าสงสัยนะรู้ลงไปอีกทีจิตมันสอนธรรมะได้ปกติหลวงพ่อคะแล้วเรื่องแยกขาดแยกขันธ์นะคะมยมยมเข้าใจแต่ว่ารู้สึ ก, กจิตเขาเขาไม่รับอะคะ่ะเขาเขายังทำไม่เป็นคะ่ะ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 นะดูบ่อยๆอดทนดูมันขี้เกียจเพราะว่าปัญญามันสรุปแล้วอั น, นี้ก็ไม่ใช่เราแล้วก็ไม่ใช่เรานะมันอย่างงี่ไม่อยากดูครับเป็นแบบนั้นเออนะนะปัญญามันล้ําหน้าไปนะอย่าเ<ท>พิ่งสรุปทีทท่ถึงม้มันล้มหน้าไปแบบนี้สิ่งที่ควรจะทําก็คือต้องปฏิบัติต่อไปใช่ใชปฏิบัติไม่เลิกนะให้เป็นกิจวัตรประจําวันใช่ไหมคะใช่ใชนั่นคือต้องบังคับถึงแม้ตัวเองจะไม่ชอบใช่ขี้เกียจก็ปฏิบัติขยันก็ปฏิบัติ อาจารย์พระอาจารย์นิดนึงคือตอนเนี้เหมือนพอเมื่อก่อนเนี่ยจะแบบเหมือนอยากปฏิบัติแต่ตอนเนี้จะมีรู้สรู้ว่าไม่อยากทําไม่อยากทําก็ต้องบังคับตัวเองให้ทําใช่ไหมครใช่ให้รู้มันไปะหัดรู้ตามรู้ตามดูไม่เลิกหรอกอส่งไมามาข้างหน้าส่งไมม า, มาส่งตรงๆขึ้นมาเรื่อยๆอ้าคุณแหละที่ใส่แว่นตาส่งกันบ้านผู้ใช้ข้างหลังข้างหลัง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 น่าถึงแต่พระราชทานไทยพิธีพึงครับน่าต้องอย่างนั้นครบดครบีครับก็พบไม่เคยทาอีกนะทําถูกแล้วอาชัยกลับบ้าน